การภาวนานะเปลี่ยนทั้งที่มาที่นี่แล้วพวกที่ฟังซีดีอยู่ที่บ้านเม่ออกไปต่างจังหวัดนะไปเจอคนเยอะแยะบางคนก็ไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกเขาเห็นรูปอะไรเงี้ยเขาเจอนะเข้ามาทักทายมาขอบคุณอะไรเงี้ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นเขารู้สึกได้ ้คนภาวนาเนี่ยเรารู้ด้วยตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงถ้าภาวนาตั้งหลายปีแล้วเหมือนเดิมทำผิดแน่นอนเลยหรือปฏิบัติธรรมไม่สมควรอย่าทำทๆหยุดๆนะ้ถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็ทำต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นผลในเวลาที่ไม่นานเกินไปไม่ใช่ต้องรอไปชาติหน้าหรือชาติโน้นๆ้นต่อไปอีกแสนชาติอะไรเงี้ยไม่ต้อง ต้องเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเปลี่ยนตัวเองได้ในขณะนี้เลยอาศัยว่าภาวนาว่าเดินจงกรมเดินอะไรนะรู้สึกตัวไปทำอะไรก็คอยรู้สึกเห็นกายเห็นใจก็ททำงานเรื่อยไปไม่นานเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองรู้ด้วยตัวเองได้จะรู้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่าอัศจรรย์เปลี่ยนคนสกปลกโสมมนะให้สะอาดได้ เปลี่ยนคนที่จมในความทุกขนะ์ให้พ้นจากทุกข์ได้เปลี่ยนคนฟุ้งซ่านคนดูออกนอกอะไรองี้เปลี่ยนกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อัศจรรย์มากเป็นคําสอนซึ่งแปลกประลาดถ้าเราลงมือปฏิบัตินะเราเข้าใจทำพอสมควรแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ามากเลยว่าอัศจรรย์จริงคำคำสอนของท่านก็อัศจรรย์ ปฏิบัติแล้วเรายังอาศสืจารย์ตัวเองเลยว่าเราภาวนามาได้ไงนะไม่ยากเกินนะไม่ยากเกินไปหรอกอยู่ที่ภาคเพียรทำเอาเองการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติหลวงปู่ดุลสอนมาอย่างนี้ไปหาท่าน้ไปบอกท่านว่าผมอยากปฏิบัติให้ท่านนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตามาท่านก็สอนหลวงพ่อการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตอ่านหมายถึงอะไรอ่านหมายถึงว่าจิตใจเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างที่เขาเป็นเหนะมือนเราอ่านหนังสือถ้าไม่ได้ให้เราเป็นนับประพันไม่ได้ให้เราแต่งหนังสือถ้าไปอ่านหนังสือก็คือหนังสือมันเป็นไงเราก็อ่านไปตามนั้นน่ะหนังสือมีบทรักมีบทโกรธนะ มีบทดีใจบทเสียใจบทสมหวังบทผิดหวังอะไรนี่ในหนังสือนิยายสักเรื่องหนึ่งในใจเราก็แสดงนิยายเหมือนหนังสือนั่นแหละเดี๋ยวก็ถึงบทรักเดี๋ยวก็ถึงบทโกรธเดี๋ยวก็บทดีใจบทเสียใจบทสุขบททุกข์ในใจเราก็แสดงละครให้เราดูอยู่นะเหมือนหนังสือเรื่องหนึ่งเหมือนนวัตินิยายเล่มหนึ่งค่อนข้างน้ำเน่าด้วยพอซ้ำๆพล็อเรื่องนี้ซ้ำกันมากเลย ในใจเราแต่ละคนแม้วันวันหนึ่งมีแต่โลบกลืดหลงเวียนอยู่อย่างเงี้ยน่าเบื่อเนาะใครๆนี่ใหญ่น้ำเน่าลงท้ายนะพระเอกนางเอกตายทุกทีเลยนะใครเป็นพระเอกก็เราเป็นพระเอกใครเป็นนางเอกก็เราเป็นนางเอกนะมีใครรู้สึกเราเป็นนางร้ายไหมเรานี่ไหนนางอิฉชานะไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้นะเราจะเป็นพระเอกนางเอกทุกทีเนะนี่ยเรามาดูของจริงนะมาอ่าน อ่านหมายถึงว่าตอนนี้ถึงบทรักก็รู้ตอนนี้ถึงบทโกรธก็รู้บทสุขก็รู้บททุกข์ก็รู้เนี่ยดูไปเรื่อยดูมันดูนิยายเรื่องหนึ่งนะธาตุขันนี้แสดงละครให้เราดูเราก็ดูไปสุดท้ายเราก็รู้ความจริงนิยายก็คือนิยายนะรู้ความจริงเลยความปรุงทั้งหลายในกายในใจเราก็เหมือนนิยายเรื่องหนึ่งท่านเองมีจุดตั้งต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดนะ บางเรื่องก็ดีบางเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งบางเรื่องแซดเอนดิ้งนะบางเรื่องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายพระเอกนางเอกตายทุกคนเลยทุกตัวเลยเน่ยเฝ้าดูลงไปนะคําว่าดูจิตดูใจไม่ใช่ไปดูอะไรพิลึกพิลึกจิตเป็นดวงดวงไปดูเห็นดวงแล้วนี่เป็นดวงแล้วเป็นดวงแล้วดวงนี้โตแล้วอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่จิตหรอกเมื่อเป็นนิมิต ดูจิตดูใจก็ดูความรู้สึกที่หมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปตอนนี้ถึงบทรากตอนนี้ถึงบทกโกรธตอนนี้ถึงบทสุขตอนนี้บททุกข์นะที่ก็หนักบางทีก็เบานะเนี่ยดูเขาหมุนไปสุดท้ายเราก็รู้ว่านี่มันนิยายหลอกๆทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจริงของจังอะไรหรอกนะ <c oughs> สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนภาพหลวงตาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดิมโมฆะเข่า กนะ็คิดว่ามีจริงมีจังใช้ชีวิตหมดเปลืองไปแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวก็วันหนึ่งเดี๋ยวก็เดือนหนึ่งเดี๋ยวก็ปีหนึ่งตนอะ น, นนี้มีสติมีปัญญามาเรียนรู้มันไปเรื่อยเห็นเหมือนละครมันเปลี่ยนฉากไปนะแต่ก่อนพระเอกนางเอกยังเป็นเด็กตอนนี้เป็นผู้ใหญ่นะตอนนี้แก่แล้วอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยก็รู้เลยไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนะ ดูใจของเราเหมือนอ่านอ่านนิยายสักเรื่องหนึง่งน่ะนิยายน้ําเน่าด้วยไม่มีอะไรหรอกวั น, ว, นวันมีแต่โลบกรธหลงพอไหวไหมอย่างนี้ไม่ยากนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกแล้วถ้าลงมือทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่นานก็เปลี่ย น, นคือหลวงพ่อมองไม่ไม่เห็นนะว่าเราจะฝากพระพุทธศาสนาไว้กับใครได้เราต้องสร้างชาวพุทธขึ้นมา คนจะเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเรียนเรียนนะปริยัติก็เรียนปฏิบัติเรียนปริยนะัติยย อ, ยอย่างเดียวยังไม่เข้าใจเรียนปฏิบัติอย่างเดียวอาจจะเข้าใจนะแต่ จ, จะเข้าใจผิดก็ได้ปริยนะัติกับปฏิบัตินะี่มันเสริมกันถ้าเรียนได้ทั้งคู่ก็ดีนะเราปฏิบัติต้องรู้ว่าเราเรียนปริยัติเพื่อรู้วิธีปฏิบัติ าปฏิบัติแล้วเนี่ยผลของการปฏิบัติมันจะตรงกับปริยัติแต่ต้องระวังปริยัติรุ่นหลังๆมันเฟือไปก็มีเหมือนกันนะถ้าดูพระไตรปิฎกดูอะไรเงี้ยเนี่ยดีใช้ได้เลยไม่พลาดหรอกนะไปประเทศอินเดียไปเลไรนะเห็นศาสนสถานของชาวพุทธเราถล่มทลายเต้มไปหมดเลยใหญ่โตมโหลาน รักษากันไม่ได้เพราะมันไม่เหลือชาวพุทธบ้านเมืองเรานี้ก็เหมือนกันเรามีวัดทั้งสามหมื่นแห่งนะวัดรางไปเยอะแยะเลยไม่มีพระพระน้อยลงเรื่อยๆนะทุกวันนี้พระเหลือไม่มากแล้วนะพระน้อยลงเนนก็เกือบหมดเนนเจริญแต่เนนฤดูร้อนเนนฤดูฝนไม่ค่อยมีนะเนนเหมือนกับต้นไม้อะไรสักอย่างออกดอก ออกผลฤดูเดียวตอนปิดเถอมเราพระน่าร้อยรอเต็มทีละเงั้นเราจะหวังพึ่งพระพึ่องอะไรนะพึ่งยากนะพระก็เหลือน้อยพวกเราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ได้แล้วเราถึงจะรักษาสืบทอดาศาสนาได้อย่างเพราะเรารู้วิธีปฏิบัตินะเราเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติเนี่ยเจอคนอื่นเราก็บอกต่อได้เนี่ยศาสนามก็ถ่ายทอดไป ไปแบบซึมลึกลึกเนี่ยเราต้องพยายามสร้างชาวพุทธนะสร้างแล้วไม่มีใครมาปราบได้เพราะความเป็นพุทธอยู่ในใจใครมันจะรู้เห็นถ้าผูกปากไว้ไม่มีใครรู้หรอกนะงั้นพวกเราเป็นชาวพุทธที่แท้ให้ได้นะบทเรียนในอดีตเนี่ยสอนเรามาเยอะแล้วสมัยนาลันธาถูกทำลาย ชาวพุทธมันอยู่แต่ในนาลันาทาข้างนอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ชาวพุทธแท้ๆไม่มีในนารันทาก็เป็นนักปรัชญาสะเภ็ส่วนใหญ่นะเรียนลัทธิาศาสนาต่างๆเยอะแยะเลยเป็นมหาวิลัลมากกว่าไม่ใช่ที่รวมของชาวพุทธอย่างเดียวหรอกมีเครื่องแบบพระมีเครื่องแบบเขาทำลายล้างก็หมดไปเลยชาวบ้านคนไหน ถ้าไม่เปลี่ยนศาสนาเขาฆ่าเอาทำร้ายเอานะีก็หมดพวกเราเป็นชาวพุทธไปในใจนะไม่ต้องแกวนป้ายก็ได้ไม่มีใครทำร้ายได้มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะต้องสู้นะตั้งใจไ็อย่างหนึ่งว่าอย่าให้ธรรมะเนี่ยมาขาดรุนลงในช่วงของเราได้นะอย่าให้ดวงประทีปที่พระพุทธเจ้าประทานมาเนี่ยมาดับลงในมือของเรานะ อย่างน้อยต้องส่งต่อไปให้เล็กเซิร์รุ่นหนึ่งนะตั้งใจไปอย่างนี้นะอ้าวใครจะถามอะไรเชิญให้คนดูวัดก่อนจิตไม่ตั้งมั่นค่ะคิดว่าเป็นเพราะว่าทําำๆหยุดๆเออรู้สภาวะใช่ไหมว่าไม่ตั้งมัน่น<ต>รู้เพจไม่อทำๆหยุดๆเป๊เวลาแต่เวลา เ, เป็นทุกข์จะจะเห็นได้ชัดจะเห็น เ, เห็นได้บ่อยแต่ว่าพ อ, อ, อพอมันไม่เป็นทุกข์แล้วมันจะเพลินๆไปตัว น, นี้ไงที่หลวงพ่อเทศไม่ช้ามาทันปะ ไม่ทานค่ะหลงทางอยู่ค่ะเมื่อเช้าก็บอกว่าทุกต้องต้องรู้นะให้คอยรู้ทุกเรื่อยๆถ้าเราเห็นทุกเห็นทั่วเราจะขยันภาวนาถ้าเราเผลอเผลอเพลินเ ล, เ ล, เ ล, เลิมันไม่ยอมภาวนาค่ะก็พอดีคือเอ็นคนขี้เบื่อเลยพยายามหาอุบายอย่างเช่นบางทีก็จะมีตัวเครื่องอุปกรณ์เล็กๆเอาไว้นับพอเผลอเราก็จะนับ ทำอย่างนี้มันทําให้รู้สึกว่าจิตใจมีความเพลินแล้วอยากที่จะคอยดูไปเรื่อยๆอค่ะอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะเ อ, ออยังใช้ได้อยู่แต่นานๆไปก็จะรู้ว่าเป็นภาระนะค่ะพอจิตเราละเอียดขึ้นมันก็จะทิ้งไปเองแหละนะค่ะเบื้องต้นทําอย่างนั้นได้ค่ะแล้วก็คืออย่างหนูเนี่ยต้องทําสมถะเยอะๆใช่ไหมคะหนูคอยรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านแล้วหนูบริกรรมไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ได้ พุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะทําอย่างนี้ดีกว่าไม่หวังว่าถึงขนาดต้องไปนั่งสมาธิเข้าชานมันไม่เข้าหรอกค่ะชีโมโหโด้วยไหมมากค่ะเออนะไม่เข้าหรอกชานเชิญอะผมเข้าไมาได้ไปนั่งหายใจไปติดแลโมโหโ อ, อีกแล้วพอดี <c oughs> พอเริ่มหายใจพอเริ่มคิดภาวนาเสร็จก็จะคิดว่าโอ้ผิดหรือเปล่านี่สมธรถมากไปไหมก็จะได้ดูแต่ไอ้ที่มันเห่อไปนี่แหละคะ่ะ อ, อยู่ในชีวิตเนี่ยนั้นดูบ่อยๆแล้วถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปก็นั่งดูจิต ด, ดูใจไปพุโทโธอะไรสวดไปเะสวดแล้วก็รู้ทันใจของเราบ่อยๆนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเองแหละค่นะ แต่อย่าหวังว่าจะไปเดินจงกรมสามชั่วโมงดีไหมดีแต่ทาไม่ได้มันจะโมโหซะก่อนขาดแค่นั่งสมาธิไม่ถึง10บนาทียังไม่ค่อยได้เลยไม่ได้หรอกน ะ, ค, ะคืนนี้ใส่คนไม่เหมือนกันไม่ไม่ใช่ปมด้อยน ะ, ะนี่ใส่คนมันต่างกั น, นอย่างของหนูเนี่ยใจมันโลดโผน ร, รวดเร็วรุนแรงจะไปนั่งสมาธิไม่ลงง่ายหรอกเพราะฉนะั้นเราก็ต้องทํากรรมฐานที่เราทําได้ คนขี้มโหเนี่ยมีข้อดีคือจิตเปลี่ยนแปลงเร็วโกรธทีไร ท, ทุกทุกทีนะเนาไปคอยสังเกต จ, จิตเลยมันโกรธขึ้นมาก็าทุกความทุกข์ก็เกิดขึ้นดูเหมือนดูคนอื่นทุกไปดูเหมืนอนดูคนคอื่นนั่นแหละอิจฉาก็เป็นตระกูลโทสะนะชี้เหนียวตรนีอะไรเนี่ยตะกูลโทสะอิจฉาเนี่ยโทสะนะกลัวกังวลในนะ น, นี้โทสะหมดเลยนะขอบพระคุณมากค่ะ ไปฝึกนะฝึกข้ า, าใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจําเป็นเชิญป้าตอนนี้ใช้ความรู้สึกที่กายเป็นวิหารธรรมนะคะใช้ได้นะเห็นไหมเราไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะแต่รู้สึกว่ามันดูจิตไม่ทันนะคะช่างมัน<ข>เห็นกายกับจิตเป็นโคราชกันน ะ, ะดืออย่างนั้นไปด้วยคือยังมีความรู้สึกว่าสติมันยังอ่อนอยู่อะค่ะก็ดูบ่อยๆเดี๋ยวสติก็เพิ่มเอง สติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะดูบ่อยๆอย่างเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบ่อยๆนะสติก็จะเกิดขึ้นมาเองงั้นตอนนี้ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วก็รู้ทันว่าใจมันฟุ้งสั้นนะค่ะแล้วก็ถ้าเห็นมันฟุ้งมากนักนะไม่ไหวแล้วก็บริกรรมไปก็ได้ช่วยมันหน่อยพุโทโธพุโทโธไปค่ะใช่เพราะว่าเวลาที่เดือนจงกรมอะคะ่ะจะรู้สึกว่าความคิดเยอะมากเลยถ้างั้นบริกรรมไปเลยนะ เอาสมถะก่อนถ้ามันฟุ้งแรงเกินดูไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะกราบค่ะเพื่คุณเจ้าค่ะใช้หลักนี้นะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะทำสมถ ะ, ะก็คือหาดพุดโทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยอย่าหวังว่าจะสงบถ้าจะสงบจิตเขาสงบของเขาเองถ้าเราอยากสงบนะจะไม่สงบเลยจะฟุ้งไปเลยจะเครียด งั้นเราหายใจไปพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไปอย่างมีความสุขคิดถึงท่านเรื่อยๆอะไรเนี้ยใจไม่วอกแวกไปที่อื่นเดี๋ยวก็สมาธิเกิดแต่ถ้าพุทโธพุทโธสงบเร็วๆพุทโธพุทโธอู้ไม่สงบสัทีพุทโธพุทโธธไม่เอาละโมโหนะใจแตกสมาธิแตกค่ะขอบพระคุณค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อใจฟุ้งสั้นไหมฟุ้งเก่งไหมฟุ้งเก่งค่ะฟุ้งเก่งทําไงดี ก็ตอนนี้ก็ดูลมหายใจกับบริกรรมพุโทโธเออนะนแล้วก็คอยรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งซ่านนะหายใจไปพุโทโธไปใจฟุง้งซ่านรู้ทันไม่ได้หายใจเพื่อให้สงบนะ อ, อ, อย่าไปตั้งเป้าว่าจะทำเพื่อให้สงบจะตั้งเป้าทําทำเพื่อสงบไม่สงบหรอกทำเล่นๆหายใจไปพุโทโธไปใจฟุง้งซ่านแล้วรู้ทันเดี๋ยวเดียวก็สงบลนะนี่เป็นเคล็ดลับนะอยากสงบจะไม่สงบคล้ายๆอยากหลับจะไม่หลับนะ่ะ นอนเล่นๆแป๊เดียวก็หลับใช่ไหมอยากหลับห ล, ลับเร็วๆหลับเร็วๆไม่หลับสงบเร็วๆสงบเร็วๆไม่สงบเหมือนกันต้องสบายใจแล้วก็สงบออให้รู้ทันนะใจมันฟุง้งซ่านแต่ว่าถ้าหนูทำอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากต่อไปการนั่งสมาธิมไม่ใช่เรื่องใหญ่จะให้สงบนี่เรื่องเล็กนิดเดียวแต่ออว่าแสดงว่าตอนนี้หายใจไปยังอยากจะสงบ จ่ออยู่กับที่ลมหายใจมากไปหรือว่ายัางไงเจ้าคะหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไม่ได้เอาลมหายใจนะไม่ได้ไปจ้องลมหายใจหรอกหายใจแล้วรู้ทันจิตเนาะจิตฟุ้งซ่านแลรู้ทันหายใจไปจิตฟุ้งซ่านแล้วรู้ทั น, ไ, น, ทนไม่ได้ไปจ้องลมหายใจนะถ้าหายใจแล้วจ้องลมหายใจมันจะแน่นแล้วถ้าบางทีเราปรุงเยอะๆ เ, เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมคะได้ได้ท่านไม่ว่านาของท่ได้แล้วเคยเห็นหน้าท่านด้วย พ, พุทธรูปอเออนะได้นึกถึง พ, พุทธรูปได้แล้วก็การเจอมรรณานุสติที่ที่ทำอยู่ค่ะมันแล้วเราเห็นแม่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนะะนะถ้าทำมรรณานุสติก็จะเห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนแล้วความโกรธความอาฆาตความอะไรจะลดลงไปด้วยน ะ, ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่เราจะตายเนี่ยถ้า ถ้าเกิดเราอย่างอย่างหนูอะค่ะมันฟุ้งเยอะเงี้ยค่ะถ้าตอนที่เราจะตายเราคือถ้าเรามีแนวรุกแนวรับน ะ, ะถ้าจิตใจของเรามีกําลังพอเราก็เห็นร่างกายมันจะตายใจเราเป็นคนดูไปถ้าไม่ไหวจริงๆนะเวทนาแรงกล้าอะไรเงี้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้นึกถึงพระพุทธรูปอะไรสักองค์ก็ได้นะอขอบคุณค่ะหลวงพ่อนึกถึงพระไว้ ก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อค่ะก่อนหน้านี้ก็หนูหนูก็ไม่กล้าส่งค่ะค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นค่ะเนาะเห็นไหมกายกับใจเป็นคนล้านเห็นค่ะเนาะแล้วอย่ากลัวอะไรค่ะเนี่ยดูของเราไปเราภาวนามาถูกทางแล้วเออก่อนหน้านี้ค่ะหนูก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงพ่อค่ะก็ พอปฏิบัติไปก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นความทุกข์มากขึ้นค่ะแต่ก็ยังแต่ก็เริ่มแต่ก็จะเห็นความสุขด้วยค่ะคือมีทั้งมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์อะค่ะตพแปลกน ะ, ะยิ่งเราเห็นทุกข์มากนะใจเรายิ่งสุขเยอะนะใช่ค่ะออแปลกค่ะเนี่ยอัศจรรย์ค่ะก็ตอพอวันนี้ค่ะเ อ, อ่อวันนี้พอหลังจากที่ได้ฟังเทศหลวงพ่อไปเมื่อตอนเช้าอะค่ะมันพอพอเลิกไปค่ะ เจิตมันก็แวบขึ้นมาค่ะว่ามันมันไม่เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีความสุขแล้วค่ะชีวิตเนี่ยมันมันมันมีแต่ความทุกข์อะค่ะอค่ะคือมันมันปกติเนี่ยหนูฟังเทศน์หนูจะแค่แค่รู้เฉยๆค่ะเหมือนกับว่าฟังพระหลวงพ่อเทศน์มาว่าเออชีวิตมันเป็นความทุกข์นะมันไม่แน่นอนนะหนูแค่รู้แต่หนูยังไม่เข้าใจอะค่ะแต่แต่พอวันนี้ค่ะ มันรใจเามมันก็ใช้เวลานะกว่าที่มันจะเข้าใจธรรมาบางเรื่องใช้เวลานา น, านบางเรื่องก็ง่ายๆก็เร็วหน่อยการเห็นทุกเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าสัตว์โลกไม่เห็นทุกนะั้นก็เลยเวียนอยู่ในโลกเวียนไว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกนี่แหละแต่ของหนูมันเห็นทุกเนี่ยด้วยกำลังของปิติมันมีความปิติในธรรมะขึ้นมา นานๆนานไปมันคตรเสื่อมได้อีกใช่ค่ะพอหลังจากนั้นพอมันแค่แวบเดียวค่ะอพอหนูเผลอหนูก็จะกลับไปยืดเหมือนเดิมค่ะใช่มันเสื่อมได้อีกน ะ, ะแล้วหนูต้องภาวนาอีกที่หนูทํามาดีขึ้นเรื่อยๆนะไปตั้งใจทําเขา้าก็อยากจะขอกรรมฐานจากหลวงพ่อด้วยค่ะนั่นแหละที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าจิตเราเคลื่อนไปเราคอยรู้ทันไม่ห้ามจิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่ห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนแลยย้วจะแน่น ว่ามันไหลไปแล้วรู้ทันแค่นั้นพอแล้วละ่ะรู้บ่อยๆสมาธิมันจะเกิดถ้าจิตมีสมาธิมากๆปัญญามจะเกิดมันจะเห็นธาตุเห็นการเนี่ทํางานเราเป็นแค่คนดูสบายๆา ย, ยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขนะยิ่งเห็นทุกยิ่งมีความสุขเนี่ยเป็นเรื่องแปลกถ้าเห็นทุกแจ่มแจ้งอย่าพระละหันนี่เห็นทุกแจ่มแจ้งแล้วมีความสุขที่สุดเลยเป็นเรื่องประหลาดนะคนวิ่งหาความสุขนะจะไม่ได้จะเจอแต่ทุก คนที่รู้ทุกข์นะกับที่เจอความสุขแต่ก่อนเห็นว่าเรื่องราวในชีวิตของหนูค่ะเป็นยิ่งเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันมีความหมายมากเลยค่ะแต่พอพอมาพอมาได้มาเข้าใจเก็ตเก็ตจริงๆว่าชีวิตมันมีแต่ความทุกข์ค่ะอมันรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเล็กไปเลยค่ะมันมันมันมันแวบขึ้นมาว่ามันมันไม่ต้องการชีวิตด้วยซ้ำค่ะอื เพราะมันไม่มีอะไรน่าสนใจมันเป็นชั่วคราวนะใช่ค่ะมันเป็นชั่วคราวให้คอยรู้ทันเอาจริงๆแล้วเราเป็นไอสไตล์เคยบอกนะมนุษย์เป็นเศษธุรีของจักรวาลไม่มีความหมายเลยแต่ว่าสําคัญมั่นหมายว่ากูแน่กูหนึ่งกูใหญ่เป็นเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลขึ้นมาทั้งๆที่เป็นขี้ฝุ่นนิดเดียวเองเนี่ยเราเห็นอย่างที่เป็นจริงเราไม่ได้ใหญ่อะไรเป็นเศษละอองในจักรวาลเท่านั้นเอง ไม่มีความหมายอะไรในใกายในใจนีนะ้เป็นขี้ฝุ่นแต่ว่าภาวนาแล้วเราก็พ้นจากมันไปเราก็เข้าถึงสิ่งซึ่ ง, งมีคุณค่าที่แท้จริงนิพพานไม่ได้ศูนยนะ์นะนิพพานไม่ได้ศูนย์หายไปเลยนิพพานไม่ได้มีอยู่อย่างที่เราคิดว่ามีเท่านั้นถ้าศูนย์ไปเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งถ้ามีเหมือนที่เราคิดว่ามีอย่างนี้แหละก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ง ภาวนานะเราจะสัมผัสพระนิพพานพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่ได้มีอยู่ในลักษณะที่เรารู้สึกเอาอย่างที่มีธาตุมีขันอย่างนี้ไม่ได้มีนะอัศจรรย์นะว่ามานมันส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านครั้งแรกสี่ปีที่แล้วะคะ่ะ ห, หลวงพ่อก็บอกว่าเป็นคนขี้กลัวะคะ่ะก็เข้มแข็งขึ้นยัง ดีดีขึ้นค่ะนะแต่ก็ใจเข้มแข็งจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนือกับตัวดีค่ะทีนี้เวลาปฏิบัติหนูก็เคยเห็นค่ะว่าว่าเราไม่ใช่เรา ม, มือไม่ใช่เราเ อ, อตอนนั้นมันก็กลัวขึ้นมาออแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้มันมันเห็นมันก็ไม่กลัวค่ะเออนั่นแหละมันไม่กลัวหรอกมันยอมรับความจริงได้เยอะขึ้นนะหนูเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราแต่หนูยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่นะใช่ค่ะนะ แล้วก็ดูไปด้วยค่ะทีนี้หนูหนูมีคําถามคือหนูปฏิบัติมันมีเจริญมากๆกับเสื่อมแบบหายไปเลยอย่างนี้ยค่ะหลายๆครั้งนี่เป็นปกติค่ะทีนี้ของครั้งเนี้ยหนูว่าหนูก็ทําทุกๆอย่างที่เป็นเหตุที่จะให้มันเจริญนะมีอยู่แต่ว่ามันก็ยังเหมือนเหมือนรู้เหมือนก็ไม่รู้เหมือนเหมือนไม่แน่ใจว่ารู้หมอะไรนะครูบาอาจารย์สอนหน้าว่า จิตนะ่ะมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมนะขนาดบางองค์ท่านภาวนาดีๆท่านบอกเลยว่าทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติเนี่ยบางช่วงนะเหมือนว่ามักผลนิพพานอยู่ไม่ไกลแล้วบางช่วงภาวนาไม่เป็นเลยอันนี้เป็นปกตินะถ้าหากเราภาวนาแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเราจะเกิดความสําคัญมั่นหมายว่ากูเก่งกูเก่งแต่ทั้งๆ ท, ที่ได้ภาวนาสม่ําเสมอ ดีมาเรื่อยๆนะอยู่ๆก็พังภาพหายไปเฉยๆมันจะเริ่มสอนให้เห็นความจริงเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเราจะเริ่มยำรับความจริงได้มากขึ้นเพราะฉะั้นการที่ภาวนาแล้วเสื่อมภาวนาแล้วเสื่อมอันนั้นดีนะแต่ถ้าภาวนาแล้วก็หยุดภาวนาแล้วเสื่อมภาวนาแล้วหยุดภาวนาแล้วเสื่อมอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องภาวนาสม่ำเสมอแล้วให้มันเสื่อมทั้งๆที่ภาวนาอันนี้ดีที่สุดเลยมันจะล้างความเห็นผิดของเราได้นะว่ากูแน่กูแน่ ออาทำได้เอาเข้าจริงทำอะไรไม่ได้เลยนะทำถูกแล้วละ่ะแต่ใจยังไม่ค่อยมีแรงนะนั้นมาฝึกทำความสงบจิตบ้างโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปพุโทโธไปหายใจไปจิตไหลแล้วรู้พุโทโธไปจิตจิตไหลแล้วรู้อะไรเงี้ยฝึกบ่อยๆนะวันหนึ่งหลายๆรอบรอบละห้านาทีทำไมเอาห้านาทีแล้วหลายๆรอบนะพระบอกวละชั่วโมงเ้วฟังเราท้อใจ เอาวันละหนาทีจะตื่นนอนขึ้นมาดูสักห น, นาทีจิตไหลแล้วรู้อะไรเงี้ยตอนนั่งรถไปทํางานถ้าไม่ต้องขับเองนะจิตไหลแล้วก็รู้นั่งดูของเราไปเป็นช่ว ง, วงๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยนะวันๆหนึ่งก็ได้เยอะเลยวสการครับหลวงพ่ อ, อ, อในช่วงนี้ในชีวิตรประจําวันนะครับมีงานค่อนข้างเยอะทําให้หลงไปกับการทํางานเยอะนะครับแต่ก็ เห็นความทุกไหมยเห็นความทุกครับนะทุกเยอะเห็นทุกเยอะครับผมก็มีเห็นทุกโทมนัสเวทนาครับบางครั้งก็เห็นอนัตตาเห็นนิจังช่วงนี้เห็นทุกเยอะครับใช่ดีทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานแต่ว่าทุกอันนี้มันมาจากปัญหาครับใช่ไหมไม่มีปัญหามาเลยมีทุกครับเนี้ยทำไมมีปัญหาปัญหาอยู่ข้างนอกทุกมันอยู่ที่ใจคร้บใจเราไม่อยากให้มีปัญหาครับนะให้รู้ทันใจที่มีความอยากอ่ะครับ ใจมีความอยากให้ปัญหาหมดไปรู้ทันนะความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจครับนะดูบ่อยๆเมื่อกี้ที่ฟังหลวงพ่อรู้สึกรู้สึกตรงกับจิตใจที่ทเห็นนะก็เลยดีใจตอนนี้ก็ ก, ก็มีขะนั่นอาการหน้าอกอยู่กกเกาะเกาะพยายามเก็บเอาไว้ความสุกตรงนี้อันนี้เขายะขายลงครับเออเดี่เบรกเอาไว้ครับเราต้องการความจริงความจริงก็คือทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเราต้องการเห็นความจริงนะเราไม่ได้ต้องการความสุขหรอก ความสุขอันนี้ยังเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นของเสื่อมครับนะความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้รออยู่ข้างหน้าครับขอบคุณครับหลวงพ่อจะทำตามครับนะไปพักเพียนเข้าให้ปัญหาเป็นปัญหานะปัญหาอย่าเป็นความทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่อยากให้มันมีปัญหานะหมดแล้วละเชิญกลับบ้านไป